สิขาบทที่6ว่าด้วยการใช้ผงแป้งอบกลิ่นเรื่องภิกษุณีฉัพกี1202พสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉัพักีสงสนานด้วยแป้งที่อบกลิ่นคนทั้งหลายตำหนิประนามโผลนธนาว่า ชนพวกภิกษุณีที่ทรงสนานด้วยแป้งที่อบกลิ่นเหมือนยิงครื่อหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพนทนาว่าบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามโพนธนาว่าชนพวกภิกษุณีชาพักีจึงทรงสนานด้วยแป้งที่อบกลิ่นเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ